วันน <c oughs> ี้เป็นวันภาษาภาษา่นบ้านของพวกเราแต่ภาษาสนใหญ่ส่วางเช่นียกว่าวันวัาน่ะจเป็นอันเดียวไปเนี่ยโลกอันนี้มันเป็นขู่กันมีเข่ากับมีออกมีเกิดมีตายมีด่ามีเสียมันเป็นขู่กันอยู่อย่างนั้นวันนี้เป็นวัน มหามงคลอันหนึ่งคือเป็นวันมหาตวรณาบรรดาพระยุติสามานุนยุตตศาสนาวันนี้มีการตวรณากออกพรรษาทุกวัดทุกวาทุกทุกแหงเป็นอุบาสุบาคุตาสุเล็กเล็กเด่สาวหผู้เท่าผู้เจรไปวัดตว่า กันควรใหญ่เพราะถือว่าเป็นการเป็นสมัยวันมหามงคลวันนั้นพวกเราถึงโชคลาภได้เข้ามารับมาวามาบูชาดอบไม้จิตเทียนตลอดชิ้นมาฟังพิชิุสามมณีบรรดพระเสียมนต์ผันผิวว่าเป็นสุมงคลเป็นวุ่นเป็นสี๋เต็มเสียู้ใดสดับเล้าฟังพูดอีกแต่คำบำเพ็ญ แต่านั้นเรื่องบุญกุศล น, นี้คนสิ่งที่จำเป็ น, นที่พวกเราทุกคนควรสนใจคนที่มีบุญมีกุศลถ้าถือว่าเป็นสืนน่มงคลไปสถานที่ใดไหนมีภัยมีเวรไปสถานที่ใดเหยียดเยินายใจคนที่มี t ài t ài. บาปมีอกุศลคนที่มีแสวงหาคุณงนานความดีอะไรไปสถานที่ใดก็ไม่ได้สารประโยชน์ มีทุกมีโทษมีวนมีไพรากนนั้นวันนี้เป็นวันมหามงคลขันธ์พาทาศาสนิจจเช่นทุกคนสี่ใดอศตสาพยายามสวดพรว่ามาไหว้พระกวดมนตร์กให้ชื่อเป็นโชคลัสงศ์นเพราะการจะทำมันเป็นอย่างนี้หรือวันเช่นนี้ในชื่อหนึ่งหนึ่งถึงจะมีชื่อหนึ่งของหนึ่งเท่านั้นม่ใช่ว่าจะมีทุกคืนทุกวันไปนี่ มีหนึ่งมีเพียงขังหนึ่งเท่นันดังหนึ่งเท่านั้นคนที่รวยจนไข่หนาต่างๆก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะมาบำเพ็ญยินดูผลอย่างพวกเราได้หรือนอกจากนั้นที่ถูิล่มหายตายไปในระยะพันษามันก็มีนับใน่ถ้วมอีกเหมือนกันฉะนั้นพวกเรา หลายสาววัดสาว า, าเอารวมกันอยู่ในธรรมสภาสารานี้นะแบุเป็นผู้มีโชคลาภอันดีคือต้นจากโลกไทยไทยเจ็บพอมาวัดมาวามาฟังพระฟังเจ้าท่านหลายพระเสวยมนได้และการหลายพระเสียมนนั้นไม่เป็นเรื่องขบขันไม่เป็นเรื่องสนุกเทอะท ปัตินห้ถูกต้องไม่ใช่วา invers, ่าฟังเพื่อสนุกเฮฮาฟังเพื่ปวดปดโทนต่างๆฟังเพื่อจับเอาเหตุผลที่แสดงไปนั้นนําไปเข่าิดิี่ริญาตามส่วนเราที่มีประโยชน์นําสิ่งนั้นไปประพฤตปฏิบัติ ฟังธรรมโดยเหตุโดยผลฟังธรรมเพื่อจะนำไปแบบคิปฏิบัติฝึกหัดตนทองตนไม่อย่างนั้นเราทุกคนเกิดมาจะรู้เรื่องต่างๆนานาจะเข้าใจภาษีภาษาสมมตินิยมของโลกต้องอาศัยการศึกษาต้องอาศัยการประดับรับฟังมานไม่ใช่ว่าเราจะฉลาดดยเพื่อควเที่ยเองถ้าหากไม่เห็นไม่ได้ยิน ไม่ได้ศึกษาคนนั้นไม่มีวันเวลาที่จะฉลาดนี่จะจะเงาเงาเต่าตืต่นเรื่อยไปเหมือนกับตัดที่ไร้สารซึ่งไม่เคยเข้าวัดเข้าว่าไม่เคยศึกษาเรื่องหลักโงเรียนอะไรแต่เรานั้นไม่ฉลาดเพราะไม่ได้ฝึกหัดปฏิบัติเรื่องอะไรฉะนั้นเราทุกคนสุขุนมนุษย์นะับว่าเป็นสัตว์สูงสุด ควรจะศึกษาหาอัทําทำเอาไว้ในา ย, ายในใจของตนคือประพฤติใ <c ười> นสิ่งที่ควรประพุติเว้นสิ่งที่ควรเว้นการํำเพ็นคุณงานความดีนั้นวันเวลาเป็นเรื่องสำคัญอีกเหมือนกันพอเราถี่เป็นคารวาหากจะมั่วสุมในการในงานดีเสมอไป ไม่มีการซักบาในการสดับรับฟังเราก็จะโง่เง่าเต่าปิ่นดีเลื่อยไปเพราะนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนให้มีการสดับรับฟังการฟังธรรมท่านก็ทีว่าเป็นบุญเป็นกุศลเดียกว่าทำมัาวะนาะไม่คือบุญกุศลทั้งเกตได้จากการสดบรับรับฟังธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้า เราทุกคนต้องการยินต้องการสิ่งสมต้องการทุ่งงามความดีในต้องการคว า, ามเสื่อความเสียถ้าหากเ่าไม่ก่าร่างสร้างเอาบุญปู่ผลนั้นมันก็ไม่เกิดไม่ดีไม่รู้ไม่เห็นอะไรที่ดีเด่นได้บุญปู่ผนจะเกิดดีได้กว่าอาศัยคนกว่าร่างสร้างเอานี่เว่าเกิดมาแล้วเป็นมนุษย์จะเป็นบุญเป็นปูน่ผลทุกเที่ยหน้าไปเป็นไปไม่ได้ หาคนใดในแสวงหาบุญกุศลมันก็ไม่เกิดขึ้นหาคนใดแสวงหาบุญกุศลก็เกิดขึ้นบุญกุศลคือความสลาดในจิตในใจความเยือกเย็นของจิตของใจมีเยียกว่าบุญกุศลคนที่แสวงหาสมรลกสิ่งที่ชั่วบำเพ็ญสิ่งที่ดีเห่านั้นจึงจะได้รับบุญรับกุศลคือจิตใจท่องตนเยากเย็นจิตใจของตนเป็นศึก คนที่ไม่แสวงหาไม่ทำคุณ ง, งามความดีอะไรจะให้จิตใจมันเยือกเย็นเป็นสุขฉลาดเดกียบแหลมสามารถรู้เท่าสิ่งต่างๆนานานั้นเป็นไปไม่ได้ฉะ่นั้นการสดับรับฟังซึงเป็นเรื่องจำเป็นคือการสดับรับฟังนั้นจะฟอกจิตฟอกใจให้รู้จักเกิดผลดีชั่วต่างๆเพราะทุกคน เกิดมาเป็นมนุษย์พบพระพุทธศาสนาถ้าหากว่าไม่ศึกษาไม่ประพฤติปฏิบัติศาสนานั้นก็ไม่มีผลอะไรแก่กาแก่ใจของเราเหมือนกันแต่เรามีข่าวตาอาหารถ้าเราไม่รับทานข่าตาอาหารส่วนสามารถที่จะเข้าปากของเรามันก็อยู่ตามห่วงของมัน ความอิ่มหนำกำลังท้องตายควรจะมีคนที่มนทานอาหารไม่กินข้าวจริงตาานั้นอายุสั้นหลังตายมีกําลังวังตาอะไรคนที่มีศึกษาธรรมะธรรมโมคนที่มีดินจุศในตนของตนก็เหมือนกันคนนั้นถึงตนควรตกเป็นโมฆะหาสาระแก่นสารอะไรไม่ได้จิตใจเหมือนกันกับปัดป่า ในซาบะบา b à b à, เป็นอย่างไรบุญ เ, เป็นอย่างไรคนแบบนั้นมีอยู่มากเท่าไรก็ไม่มีคุณค่าสาระอะไรมิจะเบียดเบียนกันมิจะทุกร้อนเผ็ดเผาจิตใจของตัวไม่มีวันสุขวันสบายวันสงบสงัดให้ฉะนั้นทำจึงจําเป็นที่พวกเราทุกคนควรสึกฝนควรอดเวมควรกระทำบําเพ็ญให้รู้ให้เห็นให้เหยือกให้เย็นในจิตในใจของตน วันนี้เป็นวันมหามงคลคือวันออกพรรษาการออกพรรษานาี่เท่าไรวิเลตปัญหาจะออกจากจิตจากใจของเราคือออกในการเข้าพรรษาเท่านั้นวิเลตที่จะออกจากจิตจากใจความชั่อ เ, เสือจะออกจากกายวาจาใจได้ก็อาศัยเราเว้นเราหลีกสิ่งเหล่านั้นต้กำจัดสิ่งเหล่านั้นให้ตกออกไป ด้วยสติด้วยปัญญาของตัวนี่คว่าออกพรรษาแล้วความเชี่อเสียต่างๆจะออกไปความดีงานต่างๆจะเข้ามาแทนไม่เป็นอย่างนั้นออกพรรษาเข้าพรรษานั้นเป็นสมุดอันหนึ่งซึ่งมีเ่้าหลือลมีออกมีส่วนหรมีตายเขาก็ใช้จ่าบัญญัติให้เข้าแล้วก็ให้ออกใส่จีเรียร์ทองใจนั้น จะออกได้ต้องอาศัยความภาคความเพียรความที่มีทิ่ใจนะความเกลียดไข่จิตใจของเตียงจะออกจากที่เหลือปัญหาได้การเวลาบบออกพรรษาเข้าพรรษานั้นเป็นเรื่อนเถื่วกเราเถื่อไปยึดมั่นว่าห น, านา้าพรรษาเฉดจการพรรษาจะจาสีนภาวนานะตักบาททาบุญบออกพรรษาแล้วไม่มีการ เราเลี้งเนืไม่มีการติดาตามไม่มีการกระทำบำเพ็ญคนตนนั้นเป็นคนหลงศาสนาไม่สอนให้คนหลงคนเชื่อคนเสียอย่างนั้นท่านสอนให้คนรู้คนฉ ล, ลนาดกว่าราษากวดีในรรษากวาดีเมื่อเรายังมีลมหายใจเป็นอยู่เรายังมีชีวิตอยู่การทําดียังเป็นผลดีตอบแทนเราการทําเชื่อยังเป็นผลเชื่อ ใหเส้นเกี่วเกวขเราแต่นั้นดีเชื่อต่างๆนั้นไม่ว่าวันเข้าพรรษาหรือวันออกพรรษามีเชื่อนั้นก็ยังคงเส้น ค, คงวาเสมอเดิมเราออกพรรษาเราไม่กินข่าวกินตาเพื่อจะอิม่มไม่เป็นอย่างนั้นเราเข้าพรรษากินข่าวกินตาไม่อิม่มก็ไม่ใช่เนื่ยเรายังมีชีวิตเป็นอยู่อย่างไร เราจะต้องจำเต็นกินข้าวกินปลาทำการทำงานตามหน้าที่ท้องตนนี่เราออกพรรษาแล้วอย่าไปนึกว่าชาววัดชาจําจำศีลภาวนาให้ทานการสืบสวนต่างๆจะไม่เป็นบุญเป็นสืบสนอย่าไปนึกไปคิดอย่างนั้นถึงวันถึงเวลาโอกาสพอที่จะทำกิจงามความดีได้ไม่ว่าพรรษาออกพรรษาเมื่อเรายังมีลมหายใจอยู่ รีบเร่งแต่ทำบำเพ็ญชุน ง, งามความดีเอาอย่าไปคิดว่านอกพรรษาแล้วออกพรรษาแล้วเราจะไม่จำํำชินภาวานาไม่รักษาชุน ง, งามความดีอะไรก็ยิ่งเกี่ยขวของเราในพรรษาเราได้ทําแล้วนอกพรรษาเราจะทําเชื่ทําเสียไปในพัรษาเราจึงจะทําดีอย่าไปคิดเช่นนั้นพราะความดีความเชื่อนั้นใครทำตานใดสมัยใดความดีความเชื่อนั้น จะกิดเตล่ตามตนให้ผลเผื่อบุคคลผูกกับทไม่เลือกกลางมนเลือดเวลาในเลือ ก, ก, นอ ก, นอกหน้าพรรษานอกพรรษาไม่ว่าเผดของพระของโยมเหมือนกันหมดถ้าทำเชื่อแล้วความเชื่อนั้นแหละให้ผลจะรับความทุกข์ความยากความลําบากลํำพานต่างๆนานาในว่างในพรรษานอกพรรษาเป็นอย่างนั้นถ้าทำดีีก็เหมือนกัน คนทำดีจะทำในสถานที่ใดความดีนั้นจะเกิดผลให้แก่ดตนท่องตนคือตนท่องตนเนต่ยทำนิตนท่องตนว่าได้๋ยวทำเสื่อทำเสียอย่างนั้นอย่างนี้ได้ทําดีมีการให้ทานกงเคราะเสียทาย์เสียบุคคลผู้อื่นหยุดใจขุ่นขุ่นหยุดใจเยอกเยินหยุดใจทนเบื่อาหเรามาเดี๋ยวทำกิงานความดีอะไรจะไประลึกถึง มันก็ระลึกถึงหม่ได้เพราะถึงระลึกไปก็ไม่มีอะไร่ดีที่จะทําจิตทำใจของตัวให้ช่มให้เย็นให้เบิกให้บานดังนั้นการทําความดีเราระลึกถึงจึงเป็นเรื่องจิตตำร้ายจิตของตัวให้เยือดให้เย็นให้สุขให้สบายความดีจึงเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนที่เกิดมา เป็นมนุษย hm? ์เพพระพุทธศาสนาจะต้องแสวงหามามาแสวงหาเป็นอันใดด่าเพราะคนเราก่อนที่จะเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์เกิดยากลําบากไม่ใช่ว่าเกิดง่ายสบายสัตว์อื่นจำเนีนแสนจะเนรล้านที่อยากจะเกิดเป็นมนุษย์เขาไม่ได้เกิดเพราะบุญผีเสื้อท้องเท้าไม่มีเมื่อเรามาเกิดเป็นมนุษย์ รูปร่างตั้งตัวเป็นมนุษย์ก็ให้รักษาคุณธรรมของมนุษย์เอาไว้คุณธรรมของมนุษย์มันติดกันกับคุณธรรมของสัตว์สืบถึงเป็นมนุษย์ที่มีโชคลาภมีโอกาสที่จะบประุษปฏิบัติทุกสิ่งทุกอย่างจะดับแปลงตัวของตัวให้ดีที่สุดก็ได้อย่างพระพุทธเจ้าถ้าอาหารอาหารัตอ拉หันท่านก็เป็นมนุษย์เหมือน ก, นกันกับพวกเรา แต่ท่านฝึกผลอบรมตนท่องตนในทางดีคุนคุณงามความดีมีเพียงพาหรือเปล่าก็ให้ผลจิตใจของท่านพ้นจากทุกนี่คือดัดแปลงได้จิตใจของพวกเราทั้งหลายเราจะดัดแปลงไปในเพียงใดมีใดศรัทธาดัดแปลงไปได้ถ้าหากเราไม่ดัดแปลงแค่ไขอะไรตกวดเป็นมนุษย์แล้วก็ดีใจต้นใจ แต่ไม่จะทํารักษาทำของมนุษย์เอาไว้ประพฤติไปเหมือนสัตเดรัจฉานมนุษย์ตนนั้นก็จะมีโอกาสเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ได้เลยเสียระยะชาตินี้เท่านั้นนอกจากนั้นก็จะแปลผันไปเกิดเป็นสัตหรือตกนร ก, มกหมกไหมต่างๆนั่นนะซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาของคนเราไม่ปรารถนาแต่เท่าว่าเราไม่ จะทำความดีมันก็เลยเป็นไปเองในทางขั้วทางเสียเหมือนกันกับเราไม่ทำงานเราอยากเจอได้ผลข้องงานมันก็เกิดขึ้นเป็นขึ้นไ ม, นกกนงงนมน่ได้ถ้าเราทำงานถึงเราไม่ปราถนาอยากเจอผลข้องงานมันก็ได้เพราะเราทำลงไปนี่ทำกรรมดีทำกรรมเชี่ยกวเหมือนกันเพราะทุกท่านเกิดมาไม่ปราถนาเรื่องขัวทั่วไป แต่การจะทํานั้นมันผิดกันทั้งที่ในปราถนาความชั่วแต่ตัวก่อไปทําความชั่วเมื่อไปทําแล้วเขาเล่าเขาจะรับให้ทำที่ตัวทําไว้ตัวเองส่งรับผลตามผิดตนทําลงไปเหมือนเงาตามตนตามตัวจะไปสถานที่ใดทําชั่วก็ติดตามเลื่อยไปเพื่อใช้ไม่ตกแต่นั้นเขาพูดได้เจ้าจริง สอนให้ละให้เว้นไม่ให้ทำไม่ให้บำเพินยร่องสิดชั่วผิดสียต่างๆเรามาวัดมาวามาจำศีลภาวนามาสดับรับฟงังธรรมจาับคือจากอาจารย์เราต้องคอยรับเราต้องยินดใีใย่เรื่องที่ท่านพูดไปมีเหตุผลแ่ไหนเช็คยินหรือไม่สี่พระพุทธเจ้าพูดไป ว่าคนเกิดมาเพราะทรทมผี่ทำนั้นจะเป็นผลให้บุคคลผู้ทำได้รับผลมันเท็ดมันจริงมงไหมไอที่นี้พิเจนะสาหากมันเท็ดมันไม่จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่พูดเพราะคำพูดของพระพุทธเจ้าตัดออกมาำํำใดในมีอุตริตเหมือนมนุษย์บุคชนธรรมดาคำบอกว่า อ, นน อ, อันนั้นเชื่ออันนั้นเสีย ใครสาเหวินเหวยนทำไปจะมีคนสงสัยเหวนเชยว่าคนนั้นจสิ่คนนั้นดีคนนี้วิเศษเพราะเขาทำเสือทำเสียหากเขาเสื่อมตีเขาเสื่ลักขโมยเสื่อผละโดนจริงขนาดไหนก็ตามทางเสือความเสียนั้นจะเป็นผลต่อตัวของเขาเขาคนนั้น จะได้รับความเดือดร้อนวุ่นวายไม่ใจะไปแก้เรื่องความเชื่อของตัวให้ดีให้้เติทำเชื่อยาเสพติดให้ผลดีเปนไปไหนได้เหมือนการว่าเราหวานพืดผักเอาไว้จะให้เป็นข้าวเป็นงามันก็เป็นไปไหนได้เราหวานเถาวัลย์งาาไว้จะให้เป็นพืช อ, อันใหม่มันก็เป็นไปไนไดอ้อีู่เหมืนกัน การทำสิ่งใดยอดไม่ผลสิ่งนั้นคนเราจะเป็นเหมือนกันอย่างนั้นมในลรณีวาทำชื่วไม่ต้องการผลชั่วผลชื่อจะไม่เกิดไม่เห็นไม่ผลขึ้นกับตัวทาเชื่อลงไปแล้วผลชื่อนั้นจะมาคือบออกผลให้ตอนที่เราทําเราเข้าใจว่ามันจะไม่ให้ผลแต่เมื่อมันให้ผลจะเป็นท่องตนยิง จ, จะ มัต้อตตงการที่มนเยินดีมันแกใไขในได้เราจะต้องระวัวงตั้งแต่ ต, ต้นเเหตุก่อนเหตุเชั่อยอม น, นาผลเชื่อมาให้เหตุดีย่อมนําผลดีมาให้เกิดดีเหชั่วก็เกิดจากใจวายว า, จ, าใจใจท่องตัวตตคิดไปทําไปพูดไปคิดไม่ใช่ว่าคนอื่นพามาให้ความชื่อถ่วไปผูกทงตัวเองเป็นคนทํา ขาตัวของตัวมันเดี๋ยวทาคนอื่นเขาจะสาดแสงขนาดไหนว่าคนนี้ทําดีทําด่นอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้มันสิบหายขอให้มันอย่างนั้นอย่างนี้พูดไปเะ่าไรมันก็จะเชื่อไม่เสียไปตามคาพูดคําสาดแสงของเขาถ้าทําดีถ้าทําทชื่อใครสักเจริญแลเสริญเท่าไรก็จะเชื่นไปตามคําสริแลเสรของเขานี่คือผล ของตามที่เราทําลงไปถ้าทําดีแล้วผลดีจะติดตามไปถ้าทำเชื่อแล้วผลเชื่อจะนําความทุกข์มาให้เราต้องการสุขต้องการสบายต้องการดีต้องการดินต้องกา ร, การหย่อนเยินเยนสุขเราต้องเว้นสิ่งที่ชั่วที่เสียที่พระพุทธเจ้าหักห้ า, ามเอาไว้ไม่อย่างนั้น เราทำไปเดืยวใจวาใจเดยกดัจในที่นี้ที่จอหงนะเดือดกี่เปัญหาผักดันของตนผลที่จะได้รับก็คือทุกข์คือโทษลำบากยากเย็นต่างๆทางภาษาสายอีสานของเราสันจงกล่าวเอาไว้เป็นภาษาสอนใจของพวกเราว่า การทำดีทำเชื่อต่างๆนั้นนะมีภาษาอีสานเคยสอนกันภาษาอีสานนั้นคือว่าไพผู้ท่นดีไรก้มดูสืขึ้นต่อกไพผู้ท่านตัวไรก้มห่ายถือขอบถึงนี่คือภาษาไทาอีสานของเราความมีความเชื่อนั้นมันให้ผลแต่บุคคลผู้ทำไม่ใช่ว่าบุคคลผู้อื่นจะมาช่วงรับเอาไปได้แต่นั้น เมื่อเรายังมีชีวิตคนอยู่จะต้องภากเพียนพยายามทําความดีมีการบาชระสวดมนต์มีการปฏิบัติตนท่องตนในอจในธรรมคนตนนั้นเมื่อปฏิบัติตัวข้องตัวบ้าได้โลกถั่วไปคนดีถั่วไปสันและเสริญจะเป็นผู้เลี้เด็กแดงเกิดในวงศ์สกุลของไทย คนคนนั้นก็เป็นที่รักให้่เ้นที่เอ็มดูของผู้ญาตายายพ่อแม่ผู้าหน้าอาต่างๆเพราะเขาทำดีจะมีผู้คนสรสนิยนยอ่อจะมีผู้รักผู้เอ็นดูถ้าทำํทำผัวทําเสียไม่ไหวเมื่อเสียใจเป็นใจเถิดความเหลือหล่อมหลกต่างๆคนคนนั้นน่ะ ไม่มีใครเขาจะรักใครไม่มีใครเข้าใจเอ็นดูอยู่ในสถานที่ใดไม่เป็นสุขหูได้ยินแต่เสียงที่เขาสาเขาแ้งตาเห็นแต่เรื่องที่หม่น่าจะเห็นคือเขาปากับใครเขาก็ไมรักใครเขาก็ไม่เอ็นดูมีใจบุใจบาหน้าบุนหน้าบูใส เพราะเหตุใดเพราะเราทำกรรมชั่วกรรมเสียต่างๆฉะนั้นกรรชั่วกรรเสียทุกคนไม่ควรจะทำำําบําเพญในบ้านนอกพรรษาในพรรษาจึงรักษากายว่าจ ใ, ใจใจท่องตนและเชื่อบําเพลดีเมื่อทุกคนรักษาตนท่องตนได้อย่างนี้ความดีที่เราทําไว้จะให้ผลเพื่อเปนมนุษยชาติต่อไปด้วยผล กำไรจำดีที่เราสร้างเอาไว้จะคิดออกผลให้เป็นคนที่มีรูปหล่างกางตัวเฉยสดงดงามหน้าตาน่าปราถนาไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายถ้าเป็นผู้หญิงผู้ชายทั่วไปเกิดเนใจรักใครอยากได้มาเป็นภรรยาเป็นผู้ชายเปเหเนื้อกันในต่อไปเรียนเป็นอยู่ที่ไหนขอให้ทําความดีเดี๋ยวตดี๋ยวใจท้องคน เกิดมาจะเป็นคนอีดร่างต่างเสือเสือสดงดงานมีสติมีปัญญาทําการงานขยันมันเพี้ยนต่างๆนานาทุกอย่างความเมีนบริบูรณนเพราความดีของเขาผู่สืบของเขาสนับสนุนนี่คือยืนหรุดส่งให้ไม่ใช่ว่าบิดามารดาไม่อยากได้ใครๆก็ปราชญ์นะอยู่ขี้ยูมีสติปัญญาอยู่ขี่ไรโลค่าพาสอยู่ขี่บอกงอนฟังง่าย แต่มันไม่เป็นไปตามความปรารถนาของตัวเพราะตามชั่วผีตัวสร้างไว้ได้ลูกมาก็เป็นลูกผีดอกไม่นอนสอนไม่ได้กี่เหยียดผีานป็นอมต่การใช้จ่า ย, า ย, ยามาีตัวแบบสงหน้ามีแคืนลูกมีดามันดาอยู่เรื่อยไปใหญ่ยยไม่เป็นใหญ่ยายมาทางานไม่เป็นมีแต่กินกับเล่น คนอย่างนี้ไปเกเป็นลูกใครแล้วเขาจะปาถนาแต่จ็มีดูทเพื่อไปคนประเทศนี้ซึ่งเป็นคนที่หนักจิตหนักใจของผู้ใหญ่ทำให้ผู้ใหญ่พ่อเนี่ยหนักใจลำบากไม่ทราบว่าจะทำอย่างไรถ้าจะฆ่ามันทิ้งก็ูกของตัวเรื่องเอาไว้ก็มีให้ผลอะไรนอกจากจะลีกไถบิดามานดา อยู่เพื่อคนเชื่อชะลามกคนที่โดยดีมันหนักทำยินตัวของเชัวอโดยีในเชื่อฟังธรรมของหลักผู้ใหญ่มิดามันดาอย่างนั้นเมื่อเกิดโตมาได้เลยลูกเติมหัวโดยเมียเท่าเขาก็จะได้รับผลอย่างนั้นเหมือนกันเพราะเขาไม่เชื่อฟังเพราะเหนี่ยของเขาลูกเต่าที่เกิดมาในอ้อมอกของตัว จะประพฤตชื่อประพฤติเสียทาไม่เกิดทษเกิดทุกข์เกเดตัวอย่างนั้นท่านที่ปรารถนาอยากก่าแจ้งเขาดีมีสติปัญญาให้ไปศึกษาก็ไม่เอาทานให้ไปทํางานอะไรก็ไม่ทําคนประเทตนี้หนักเอาเยอกเกินหนักโรคหนักสงสารเปน ค, นคนเชื่อคนเสียเราจประยังสั้งวอนเราเป็นผูวเล็บเดือแดงเพราะที่จะ ทำการงานอะไรได้ก็ทำไปเหนือเติดใหญ่มามีดามานดานมอบงานมอบงานอะไรให้ก็ตั้งใจทำอย่าไปเล่นไปเพลิน็นจนเหตุจนผลเหนือเราทำงานดีเงินมันก็เกิดเยอะขึ้นถ้าเราไม่ทำการทำงานอะไรอยากได้เงินเงินทองมันจะมาใ น, นหลังไหลมาถ้าเราเราทำงาน ทำไรทำนาทำสวนหาผลของงานเกิดขึ้นเงินมันมาขายข้าวขายปลอขายอะไรก็ได้เพราะเรามีของขายเวลาไม่ทําอะไรถึงเวลาเขาขายก็อยากขายกับเขาเวลาเขได้ก็เราได้กับเขามันได้เลยเรินเพราะเราไปทำาัะนั้นทุกคนจึควรเชื่อฟังบิดามารดาท้องตนไม่มีใครในโลก ที่จะสงสานรักใข่เท่ากับพ่อแม่ของเราพ่อแม่ของเรารักใคร่เอ็ดูเลี้ยงจนลูกหลานตาดำๆปวดมาไม่ว่าผูวเล็กผิวใหญ่ไม่ว่ายิ้งไหวายพ่อแม่เอ็ดูสงสานอยากให้ลูกหลานของเมั่งมีสิริศุดมีสมบัติพระสถานเข้าของอะไรก็ไมอบให้คนอื่นจะลูกม่ดี เสีเส e so th yeah, ียต่างๆข้อเนี้ยเกลียดสิด่าว่าลูกคนอื่นเขาเขาเสเขาเสียท่านด่าไหว่าเพราะเหตุใดว่าท่านถือว่าเป็นขององท่านถ้าถือว่าเป็นขององตัวแล้วชั่วเสียนิดหน่อยก็ด่าตว่าเพราะความรักความเอ็นดูอยากจ้ลูกดีท่านจึงทอย่างนั้นได้อาหารได้เสือผ้าได้ของมา ไม่ช่วยแบ่งช่วยแกให้คนอื่นจะมอบมันให้ลูกของตัวเองที่ด่าทิ้งเองไม่ได้ให้คนอื่นที่ท่านไม่ด่าเลยว่านี่แสดงว่าพ่อแม่ทุกคนรักลูกโดกจิตโดยใจทบริสุทธิลูกที่เกิดมาเมื่อนประมาทเมือนเฉยไม่เชื่อฟังดิดามานดามไม่เครพไม่ดีดามานดา ไปตามอัปยาสายทำไปด้ยวยอําเภทใจทองตนคนนั้นเป็นอับปงมงคลคนนั้นเป็นคนจี่ชั่วผีบเสียคนนั้นเป็นอาาศัศจรรยูไม่รู้จักบุญจักคุณจะทําการทํางานจะหาอยากหาชินอะไรไม่จเจอล่งเลี้ยงให้นี่คือลูกที่ชั่วจีบเสียการเคารพดีดามารดาเคารพพระรัตนใจจึ ง, งเป็นเรื่องสําคัญที่เราควรเคารพ ควรหลวมใสควรเต็มใจปฏิบัติเพราะพระรัตนาตายคือพระพุธทธเจ้าและพระธรรมพระสงฆ์นั้นท่านสิ่นกีเล็ดท่านมีมีิเล็ดในใจท่านสอนโดยความบริสุทธิ์ม่ต้องการอะไรจากการเนี้สอนต้องท่าน ม, มุ่งมั่นอยากจะให้ผู้ฟังได้รับผลรับประโยชน์จากการสอนดิรามานดาสอนกับเหมือนกันไม่ได้คิด เงื่อนค่าราคาอะไรสอนอะไรให้ลูกวิทยาจะให้ลูกเป็นคนดีมีสติปัญญามีจากการงานมีจากการประพฤติตัวให้เหมาะสมบิดามาันดามีความบริสุทธิ์ใจอย่างนั้นจากนั้นบิดามาันดากวดีพระพุทธพระธรรมพรสงกวดีจึงเป็นของที่มีคุณค่าสูงใครสมาร ดูห ม, มิ่นแม้จะพูดปฏิบัติตามยิงเกิดโทษเกิดทุกข์แก่คนนั้นคนนั้นจะอยู่มีชีวิตอยู่กว่ามีความเจริญรุ่งเรืองจ้ะทํามาหาจินค้าขายอะไรไม่เป็นสิมองคลให้เพราะประมาทดีดามารดาประมาทคุณพระราชนาฏัยคนใบเรีอมใสเคารพในบีดามารดาเคารพในพระรานาฏัคนนั้น แต่เรือนหนึ่งเรื่องถึงจะเกิดในตะกูนทุกยากลำบากอนาถาแต่เสื่อฟังคำบิดามารดาเสื่อฟังคำพระรัตนตรยัยขยันหมั่นเพียรจะทำหมั่เพียต่างงานต่างๆตามฐานะหน้าที่ของตนคนคนัน้นก็จะเรือนหนึ่งเร่องขึ้นไปเพราะพระตัตนตรัยสอนคนให้ขยันหมั่นเพียรไมสร่สอนให้คนเกียจค้านสอนให้คนละ สิที่ควรละบาเพนสิ่งที่ควรบำเพ็คนที่เชื่อฟังตามคำสองของพระพุทธเจ้าคนนั้นมีความสุขความเจริญทางจิตทางใจเพราะพระพุทธเจ้าสอนสิ่งใดมีเหตุมีผลเราทุกคนที่เดินมาวัดมาวาวันนี้เชื่อเป็นวันโชคดีวันสิริมงคล กว่าให้นำเหตุผลที่แสดงไปทีนี้ทีรณาละชื่อบรรพณ์ดีเมื่อทุกคนจำธรรมะที่อธิบายไปนี้ไปทีนี้ที่เจรนาละสิ่งที่ชั่วบรรพณ์สิที่ดีทำคุณงามความดีให้เกิดยิแก่ตนของคนไม่ว่าในภรรษาหนอกภรษาสิ่งที่ชั่ว เราทําการใดสมัยใดในมีที่รับความชั่วจะติดตัวของตัวเลือ่อยไปซิ่งที่ดีไในว่าในพรรษานอกภรรษามนทําสถานที่ใดความดีนั้นจะเป็นผลเป็นกําไรของชีวิตเมื่อเราคิดอย่างนั้นก็ให้พากันละชั่วบำเพ็ญดีขยันมันเพียรในหน้าที่การงานของตเนเมื่อทำและบำเพ็ญตามโอวาด พอผู้ใช้จ้างเนี่ยสอนต่างชาติต่างคนก็จะมีความสุขความเจริญการอธิบายธรรมะถึงแบบพอสมควรถึงเวลาพอยุติเพียงแต่นี้เท่านัง